พระอาจารย์ครับการกรบวัฒนการครับผมยรินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการยิ่งสัจธรรมครั้งที่สองร้อยห้าสิบแปดนะครับผมอาจารย์เมื่อเช้าไปบินทบาทมีคนไปเยอะไหมครับผมก็ประมาณ3า9้อยเก้าสิบเก้าคนขาดอ๋อขาดคนถึงสี่ร้อย <laughs> แล้วตอ น, อนบ่ายไปงานบาปกติก็ประมาณร้อยหกสิกว่าครับรวกันก็แปดร้อยกว่าคนท่นานครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกวันนะครับรอาจารย์ครับ อ, อ่าพรุ่งนี้วันฉลองมังคนครับผมพรุ่งนี้ผมก็มีโอกาสไปสโมสรสันนิบาตด้วยครับรอาจารย์ครับไปทาโลกไม่ครับ <laughs> ไปทางโลกครับ ตอนนี้ก็มีผู้ชมอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนครับพระอาจารย์ครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาับมาฟังการสนทนาทางความคิดจะได้รับประโยชน์เ้า่ครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องเครื่องปรับอากาศของใจครับขอพระอาจารย์ให้ปัญญาพวกเราได้ครับผมรบครับปัญญาครับใจก็เป็นเหมือนร่างกายอ่ะ ร่างกายเราเวลาเชื่ออาการร้อนเราก็ต้องใช้เครื่องปรับอากาศลดอุณภูมิลงพออุณภูมิลดล ง, ล ง, ลงอยู่ในระดับที่ทําให้น่างกายสบายอืความความทุกข์ทางกายก็จะหายไปความสุขทางกายก็ปรากฏขึ้นมาแต่ครื่องปร ะ, ประกาศทางกายนี้ไม่สามารถมาทําให้ใจที่ทุกข์้อนเย็นตาม เย็นตามไปด้วยได้น่างกายอาจจะเย็นสบายแต่ใจยังทุกข์ร้อนอยู่กับเรื่องเรื่องนั้นอยู่ก็ได้ถ้าเราอยากจะลดความทุกข์ร้อนในใจให้เย็นลงเราก็สามารถใช้เครื่องบําบัดของใจเคื่องกระบาดการของใจก็คือการทําบุญต่างๆในพระพุทธศาสนาที่ง่ายที่สุดที่สนดกที่สุดก็คือการ ท, ทําบุญทําทาน เราศรัทธากับองคอ์กรใดจะเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นมัสยิเป็นโนบสถ์เป็นอะไรบางนยน่าเป็นองค์เนที่เราเห็นว่าจะทําคุณทาประโยชน์ให้กับสังคมและเรามีความสุขใจเวลาที่เราได้รับได้ทำบุญกับสถานที่เหล่านั้นเราก็เลือกไปทํากับสถานที่เหล่านั้นก็ได้เวลาเราทําบุญแล้วเราจึงรู้สึสบายใจขึ้นมาความทุกข์ความเครียดที่มีอยู่ก็อาจจะลด น, น้อยลงได้ ทำใจเย็นลงถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลาว่างเราอาจจะไปเป็นจิตสาสาก็ได้ถึงเป็นสิเป็นเป็นชิ้นจิตสาสาเป็นช่วยล้าง่าชา้าถ้าไปช่วยล้าง่าชา้านี่จะได้ปัญญาได้ได้อดีๆเพราะเราจะต้องไปขุดขุดเอาศพที่เขาฝังอยู่ที่กลายเป็นโคนดูงแล้วเอาขึ้นมาเช็ดมาล้า ง, างเพื่อเขาจะได้เอาไปทํา ชาปัญญาคิดต่อไป <c oughs> ถ้าเราใช้ปัญญาคิดว่าคนเหล่านี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเรานะเ้าก็มีความทุกข์ความสุขเหมือนเราแต่ตอนนี้ความทุกข์ความสุขต่างนั้นมันหายหมดแล้วนะต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาความทุกข์ความสุขที่เรามีตอนนี้เดี๋ยมันก็หมดไปอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วถ้าคิดได้นทางปัญญาแล้วแล้วน่ไปทุกข์กับมันทำไมอยากจะตงไนดน้ ยามรับความจริงว่าเราจะเสียอะไรสิ่งที่เราน่าไปไม่ช้าก็เลยเราก็ต้องเสียมันเช่นตอนที่เราจะเสียเสียงเงินทองอทํากิจการล้มเหลวอาจจะต้องล้มอะลายเนี่ยเป็นต้นแต่พอเราคิดว่าต่อไปแล้วเวลาตายไปเงินทองที่เราหามันได้ท่าเป็นท่าตานมันก็มันก็ไม่ได้ไปกับเราอยู่ดีอาจจะได้ ในเคาบาวก็อากาศที่เย็นเลยก็คือปร่งได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไระยอมรับกลับสภาพความเป็นจริงมันก็แค่ตายนั้นะคนเราพอตายแล้วปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้ก็หมดมันไม่ตามเราไปด้วยหรอกล้วเราไปอะไรกับมันความสุขต่างๆที่เรามีก็เหมือนกับมันก็ไม่ตามเราไปความสุขทางรากลดสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นมันก็เป็นของชั่วคราว มีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์อยู่กับเรกนี้นั้นอย่าไปทุกข์กับมันอยู่กับมันไปนับกับยามนับกับสภาพที่จะเกิดขึ้นกับเราจะต้องติดทุกข์ก็ติดทุกข์จะต้องล้มละลายก็ล้มละลายไปถ้าจะต้องอตายกยอมตายบางคนเป็นโรคมะเร็งเี้หมอบอกว่ารักษาไม่หายถ้าเองตายเรื่องราวอันอ น, นี้ เอนกันถ้าเราไปล้างป่าชาเราเห็นคนที่ที่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราแต่ตอนนี้เหนือแดดโค้งครนโดก้็เนี้ยมันก็จะทําให้เราย้อนมองกลับมาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเต่อไปแล้วก็ต้องกลายเป็นโครงคอนโดไปแล้วสุขทุกข์ต่ตางๆที่เรามีกันอยู่ในวันนี้มันก็หมดไปเป็นเหมือนกับพยับแดดเป็นของเป็นของหลอกของกลอมไม่ใช่ของจริง ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรือถ้าเรามีเวลามากเราจะไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปปฏิบททัติธรรมก็ยิ่งดีไปฝึกจิตไปฝึกสติทำจิตใจให้สงบแล้วก็พิจารณาปัญญาร่างกายเราเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็ก ในที่สุก็ไม่หนีหนีไม่ค้นความแก่ความเจ็บความตาย น, นกันทุกคนก็จะทําให้เราปรงได้นะเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเพราะชีวิตเราก็ไม่แค่นี้นะเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาไน้วันนี้ไม่ไม่หมดไปตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องหมดไปตอนที่เราจากมันไปตอนที่เราตายไปแล้วฉันอย่าไปยึดไปติดกับอะไรมันจะอะไรจะอยู่ก็อยู่ ก็ปล่อยมันอยู่ไปอะไรจะไปก็ปล่อยมันไปนั่นเลยถ้ามันเราห้าม ม, า ม, าามันไม่ได้เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวถ้าเราได้ปัญญาได้บุญระดับนี้ใจเราก็จะปล่องเย็นสบายอุปัสโมสุโอปล่อยวางสังขารได้แล้วเป็นความสุขอย่างยิ่ง ทุว น, นี้ที่เราทุกข์ร้อนกับเพราะเรายึดติดกับสังขารต่างๆลาดยึดสรรเสริญสมนี้ก็เป็นสังขารอย่างร่างกายของเราก็เป็นสังขารนี่อย่างยึดติดกับสังขารเหล่านี้มันก็เลยทาให้เราทุกข์กันเราเืยแปว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องจากออกไปอยู่ดีแล้วนดะ้ืยไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีถ้าเราโปรงหน้าวางหน้เราก็จะไม่ทุกข์กันเหมือนะนั่นนี่ ใจที่ร้อนทุกร้อนก็จะกายเป็ในใจที่เย็นอุปสโมโอสุโคใจใเย็นเฉียบเลยปล่อยวางได้แล้วเ ป, เป็นสุขอย่างยิ่งอั น, นิจจาวัตสังขารสังขารสบายในเขาไม่เที่ยมมีการเกิดดับเป็นธรรมนา์าปล่อยวางสังขารได้แล้วจะเป็นความสุขอย่างยิ่ง น, นี้ก็คือบุญต่างๆที่เราสามารถมาใช้ในการปรับอุณหภูมิความทุกร้อนใจให้ลดลงจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่เลยก็ได้คืออยิ่กับความสามารถของเราว่าเราจะใช้เครื่องปรับอากาศหนกำลังกำลังกำลังความเย็นกี่บีทีู่สติปัญญานี่ สติกับปัญญานี่หลาย B T U เลยใช่มั้ยครับอาจารย์อ่านี่ใหญ่ให้ B T U เลยครับคือทำทานนี่มันยังแบบมันแบบแบบไล่ไล่อยู่แบบเบาอยู่ไม่ใช่เป็นของหนัก็ขึ้นอยู่กับกับอินทรีย์ของแต่ละคนว่ามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีกำลังมากก็ใช้ B T U ใช้แบบให้ B T U ได้ก็ต่างกับความ คมรอนเหลือเหศูนย์เลยก็ได้ครับได้ได้ปัญญามากเลยครับพระอาจารย์วันนี้ครับเย็นขึ้นมาพอสมควรเลยครับผมการฟังที่ฟังธรรมก็เป็นการปลอบประกาศใจได้อย่างหนึ่งบางทีฟังธรรมยังได้ปัญญาได้ความสงบได้ความสบายใจขึ้นมาบางทีผมเห็นคน คนอายุมากเห็นคนแก่นะครับพระอาจารย์ก็จะนึกว่าตอนเขาก็เคยเป็นเด็กเด็กเหมือนกับเราเคยสมัยเด็กๆ็แต่วันนี้ได้ฟังพระพูดไปถึงถึงกะโหลกถึงร่างกายตอนตายไปแล้วมันยิ่งไปไกลกว่า น, นั้นอีกครับพระอาจารย์อือาปัญญาเองไม่ทันุู้โบตัต้นจนถึงปลายพระเจ้าทังสอนให้เราเราเกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่นี่เลยให้พิจารณาอยู่แนวนี้เอา เพราะ่ออเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ตอนที่พ่อองค์ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นข้างล่างเห็นว่าเป็นตัวที่กระตุ้นให้ท่านจะต้องไปไปปล่อยวางไปปฏิบัติเพื่อปล่อยวางการยุติดในสังขารทั้งหลายโดยเฉพาะร่างกายครับพระคุณพระอาจารย์เนี่ยปัญญาครับพระอาจารย์ครับมีคนถามมาใกล้เคียงกับเรื่องนี้ครับบอกว่า จะทำใจให้คลายทุกอย่างไรแต่ที่เกิดจากการสูญเสียพระอาจารย์ที่เขาไปครับก็นั่นแหละก็มองความจริงหรือว่ามันเป็นเขาไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีดับแล้ววจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารักหรือเราไม่รักมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าคนที่เราไม่รักเราไม่ไปยึดไปติดเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่คนที่เรารักเราไปยึดไปติดเวลาเขาจากออกไปเราก็จะทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะยึดไม่อยากจะทุกข์เก็ต้องปล่อยเขาอยากไปยืดไปติดด้วยการอยอมรับว่าเขาก็เป็นของไม่เที่ยงเขาก็มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความจริงแล้วอยอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะไม่ทุกกับการจากไปของใครก็ตามคุณวอละ มันครับบอกว่าสอามเดือนก่อนหน้า น, นี้มีความเครียดเรื่องที่ทํางานและต่อมาเมื่อห้าวันที่เพิ่งผ่านมาเข้ารับการผ่าตัดไซนสันสอักเสบเรื้อรังหลังผ่าตัดต้องหายใจทางปากนะไม่รู้สึกอึดอัดและเป็นกังวลกลัวในบาปกลัวความตายกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนที่จะมาถึงมีความรู้สึกว่าจะไม่สามารถคุมจิตใจคุมสติได้เหมือนจะเป็นบ้าถ้าหลุดหรือวิ่งออกไปไม่น่าจะสามารถคุมสติตัวเองให้กลับมาเป็นคนปกติได้อีกขอความเมตตา อาจารย์ช่วยแนะนําแก้ไขอาการจิตฟุ้งซ่านจิตไม่สามารถควบคุมสติได้ตามที่กล่าวมาตอนนี้กลัวตัวเองจะเป็นบ้ามากครับอาจารย์ครับถ้ากล่าวระลึกถึงกรรมบริกรรมได้พุทธโทธได้ก็ระลึกระลึกไปไเรื่อยๆให้มันเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าให้คิดมากจนเกินไปยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งฟุ้งใหญ่พยายามลดกวามคิดให้น้อยลงในการบริกรรมพุทธโทธหรือถ้าเราอยากจะ ส่วนมูลแทนก็ได้ส่วนมูลบทไหนที่เราจำได้บทนีท้ที่พิโสพุทธคุณธรร ม, มคุณสำลัคุณหรือบทแผ่เมตตาก็ได้หรือหรือจะฟังเทศธรรมก็ได้ขอให้ใจเรามีอะไรผูกใจไว้ที่เป็นเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไม่คุ้มไม่ให้เครียดก็ต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้ ทางทำก็ได้สวดมนต์ไหว้พระก็ได้บริการพุโทโธนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ที น, นี้จะช่วยทำให้จิตใจเราสบงบลงนะความฟุ้งซ่านความอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงไปแต่ต้องต้องขยันต้องสู้ถ้าเราไม่ทำไม่มีใครทำให้กับเราไนดะ้เราต้องทำเอง พยายามทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็จะกรับมาเป็นปกติอาจารย์ครับมีคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงผมในในช่องเฟสนะครับตอนนี้ขอแยกเทสเสียงแป๊บเดียวนะครับผมติดใหม่เพิ่มได้ยินเสียงหรือยังครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมหรือยังครับขอตอบมาหน่อยครับว่าได้ยินเสียงผมหรือยังครับ แต่ช่อง้างอื่นได้ยินครับงั้นผมขออนุญาตถามต่อนะครับพระอาจารย์ครับจะทำใจให้ใคลายทุกข์ได้อย่างไรกับการที่พี่สาวไปรู้จักผู้ชายจากอินเทอร์เน็ตแล้วพาเข้าบ้านแล้วเราก็อยู่บ้านนั้นไม่ได้เพราะเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเรารู้สึกโดนโกงเพราะบ้านนี้เป็นของพ่อแม่เราครับก็ลองคุยกับพี่สาวกันดูว่า ให้เขาไปอยู่ที่อื่นได้ไหมหรือว่าถ้าอยากจะอยู่กับเขาก็ท้สองคนได้ไปอยู่ที่อื่นเพราะนี่เป็นบ้านที่เป็นบ้านที่พ่อแม่ให้กับลูกๆไว้อยู่พอยาวไข่เข้ามาอยู่ก็ต้องมีการตรึกษามีต่อการขอความเห็นชอบกันก่อนถ้าพี่น้องไม่เห็นชอบด้วยก็ควรจะเคารพในความคิดความความเห็นของพี่น้องแล้วเประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอืม แต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขายืนยันเขาจะให้อยู่แล้วก็มีทางเลือกเราก็าอา จ, จะต้องย้ายไปอยู่ที่อืน่นก่อนถ้าเราไปได้ก็ย้ายไปอยู่ที่อืน่นก่อนถ้ายังไม่ได้ก็ต้องก็ต้องทนไปเป็นโรคซึมเศร้าครับจะต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้มีจิตใจเหมือนเดิมได้ครับ พยายามหยุดความคิดงงแต่งเาความคิดของเราส่วนใหญจะคิดไปในทางที่จะทําให้เกิดความซึมเศร้าคิดไปตามความอยากต่างๆอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ชีวิตของเราตอนนี้มันไม่ดีไม่อยากให้มันเป็นแต่ก็ไม่มีทางหรือแยิ่งคิดก็ยิ่งทาให้เราเศร้าเั้นพยายามหยุดความคิดเนี่ยในการสวดมนต์ก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้ในการนล่าสมาธิ ดูลมหายใจและบริกรรมพุโทโธไปก็ได้ฟังเทศฟังธรรมได้บ้านก็ได้แล้วแต่ก็เหมือนกันนะปัญหาความทุกข์ใจความเครียดความซึมเศร้าก็เป็นความทุกข์ใจอีกแบบหนึ่งเราจากความผิดหวังไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็เลยทําให้เราเศร้าขึ้นมาพยายามหยุดยความาคามิดเหล่านี้ให้ได้ซะก่อนน้ำใจจะได้กลับมาเป็นป ก, กติแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไร ว่สิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นของชั่วคราวไม่ไม่มีอะไรแน่อนอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มารับเดี๋ยวก็สูญเสียไป ก, ก็มีพยายามอยู่แบบเรียบง่ายสถามถะไม่ต้องมีอะไรมากอยู่กับความสงบดีที่สุดพยายามทุจิตน้อมสมาธิบ่อยๆทาจิตให้สงบในความสุขอยู่ความสงบก็พอ ขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับเวลาฟังธรรมนักุติช่วงบ่ายหลับทุกทีเลยครับพยายามนอนให้เพียงพอก็ยังเผลอหลับอยู่เช่นวันนี้ก็หลับครับเคยได้ยินพระอาจารย์กล่าวว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของเย็นเราเลยรู้สึกสบายต่างจากการดูหนังที่จำไม่หลับขอวิธีจากพระอาจารย์ครับไม่อยากเผลอหลับตอนฟังธรรมเลยเพราะเคยได้ยินจากนิทานสมัยพุธทธกาลว่าคนที่เผลอหลับชาติที่แล้วเป็นงูเผลอหลับแล้วไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมครับก็ต้อง ใช้มาตรการทําให้เราไม่ง่วงมาตรการก็คือให้ลดการรับประทานลงให้หน้อยแล้วนั่งเป็นช่วงบ่ายพอดีซึ่งเาอาจจะรับประทานอาหารกลางวันเพิ่งเสร็จมาใหม่ๆพอมานั่งฟังมัน ก, ก็เลยมันก็เลยทําให้เราง่วงได้เรื่องเราอาจจะเลื่อนเวลารับประทานอาหารไปให้หลังจากฟังเทศเสร็จก่อนได้ไห ม, มเคยรับประทานอาหารตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเที่ยงแล้วมาฟังทรามตอนบ่ายสองโมงนมันก็อาจจะทําให้ง่วงได้ เราเปลี่ยนเวลารับประทานเราให้ฟังทำให้เสร็จก่อนแล้วเขาไปรับประทานอยู่ก็ได้อาจจะช่วยได้หรือจะอดอดมือนั้นไปเลยก็ได้อดมื่งกลวันไปเลยก็ได้กินเพลิงแต่เมื่อเช้าเมื่อเดียวก็ได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเราจะบางทีเอาความสุขทางกายกับเอาความสุขทางใจพร้อมกันมัไปด้วยกันไม่ได้เพราะเรามีความสุขทางทางกายใจเราก็จะ ไม่ค่อยมีสติใจจะเคลิ้มหลับ ง, ง่ายแต่ถ้าเรามีความทุกข์ทางกายนี่ใจเราจะมีสติมากขึ้นเพราะความทุกข์ทางกายมันจะกระตุ้นให้ใจไม่ต้องคอยมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ทุกกับความทุกข์ทางร่างกายมันก็ต้องมีมาตรการคนที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เขาจะลดการรับประทานอาหารลงเวลาที่เราเห็นว่าเขากับเปความง่วงเองาหงอนขึ้นมา อให้มรดการลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปการจเจริญสมาธิและการจเจริญนิพพ ส, สนาต่างกันอย่างไรครับคือการจเจริญสมาธิคือต้องการทําจิตให้นิ่งให้พักผ่อนให้จิตไม่ให้จิตทํางานชั่วคราวไม่ให้คิดปรุงแต่งพอเวลาจิตหยุดคิดปรุงแต่งจิตนิ่งสงบจิตจะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างมหาศาลที่ไม่เคยพบมาก่อน นี่คือป้าหมายของการทำสมาธิ่วนป้าหมายของวิปัสสนานี่คือการถอนจิตใจให้เห็นว่าความจริงของความทุกข์ความสุขนี้เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของของใจแล้วความสุขก็เกิดจากการละนับความอยากต่างๆถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องคอยควบคุมคอยลับความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาก็ต้องหยุดมัน วิธีจะหยุดมันก็ให้สอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนนิจจามมันเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมมันครับเราสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขของเราไปได้ตลอดวันในวันหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้อันนี้คือวิปัสสนา สนใจให้ฉลาดให้รู้ทันสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตานล้วตัวที่ทําให้ใจทุกข์มันวายใจก็คือความอยากได้สภาวะธรรมต่างๆนี้ต้องอยู่คําอยากนี้ให้ได้เวลาหยุดความอยากได้ ใ, ใจก็จะสงบเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเราจะอยู่คํามอยากได้ก็ต้องมีกําลังของสมาธิมาช่วยอยู่อีกทีน ดังก่อนที่เราจะไปวิปัสสนาได้เราก็ต้องมาทําสมาธิก่อนทําจิตให้นื่งให้สงบมีมีต้องังหยุดกิเลสให้ได้ก่อนหยุดความอยากให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดได้นะเวลาที่เกิดความทุกข์ใจแล้วเราใช้ปัญญาวิเคราะห์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสความอยากเราก็หยุดมันได้ทันทีเป็นห่วงแม่สูงอายุที่ไม่ค่อยอยากกินอาหาร บางครั้งก็บังคับท่านท่านก็หงุดหงิดจะทําให้เราบาปหรือไม่ครับไม่ควรหรอกก็ควรปล่อยไปตามอัจฉริยะใจของท่านมันเป็นธรรมดาของคนที่อายุมากเป็นมาขึ้นร่างกายมันไม่ต้องการอาหารเหมือนคนที่มีอายุน้อยกว่าเห็ก็ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสบายใจดีกว่าอย่าไปให้ยั้นอยู่นานๆแต่อยู่ด้วยความเครียดอยู่แบบเป็นนักโทษที่มีเจ้าเจ้ากรรมในเวรมาคอยควบคุมบังคับ อย่าทำตัวเป็นยอดกำไรอะไรเองเลยไม่ดีคนจะรับใช้ท่านจะดีกว่าคอยสอบถามว่าอยากจะรับประทานอะไรไหมถ้าเขาไม่อยากจะรับประทานทานก็กจบอยกจะเดินอะไรไหมค่อยเป็นคนรับใช้ดีกว่าก็ะจะมีความสุขแม่ก็จะมีความสุขไม่มีใคมรมากดดัน มีอุบายทำอย่างไรให้ใจมีกำลังอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ให้เกิดความลังเลสงสัยครับก็นำมาฟังฟังเต็มอยู่ฟังธรรมอยู่บ่อยๆต้องทรรอยู่เรื่อยๆเรื่องหนังสือธรรมะจากของครูบาอาจารย์ที่เป็นผ้าปฏิบัติมีปฏิบัติช่องก็ได้หรือธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ได้ในวันพระควรเพิ่มการปฏิบัติธรรมเป็นพิธธรรเศษอย่างไรครับ มันทําทั้งวันเลยไงมันธรรมดาเราไปทํางานทําการเราไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติธรรมพอวันพระคือต้องพูดกับวันเดี๋ยวนี้สมัยนี้วันพระไม่ตรงกับวันหยุดทํางานมันี่ก็ลําบากเพฉั้นถ้าเราอยากจะมีเวลาให้กับวันพระเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดทํางานของเราเพราะสมัยก่อนสมัยโบราณนี่วันพระจะเป็นวันหยุดทํางาน ควรจะมีเวลาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมได้ไปสังเภาสัาทำทำบุญปฏิบัติธรรมแต่ถ้าสมัยนี้วันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดใชนะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวันพระพามาให้ตรงกับวันหยุดของเราเช่นเราหยุดเสาเรื่อนอทิศเราก็เอาวันเสาร์ทิตย์นี้มาเป็นวันพระแล้วก็แล้วก็ไปทําหน้าที่ทํางานของของสร้างศาสนาทําด้าน จ, จิตใจทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนา จะทำมากทำน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังของเราถ้าทำได้ทั้งวันทั้งคืนก็ดีถ้าอยู่ในระดับที่ภาวนาเจริญสติได้ก็ลองเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับดูหนึ่งวันก็หนึ่งคืนสลับกับการนั่งสมาธิสลับกับการฟังเทศสังธรรมไปอันนี้เราก็จะได้ประโยชน์มากได้ผลมาก ทุกครั้งที่ผมจะนั่งสมาธิจะนึกถึงคำพูดของหลวงตาประโยคนั้นคือวันนี้เราจะตัดกิเลสให้ขาดสะบัน้นรู้สึกอือเอิมทุกครั้งเหมือนจะไปออกรบเลยครับแคดีอะไรที่ทำให้เรามีกำลังใจก็เอามาใช้ได้เวลาเรารักษาใจควบคุมใจไม่ให้ทุกข์ผมรู้สึกดีกับตัวเองไม่เศร้าแต่บางครั้งเป็นเรื่องที่คนปกติต้องเศร้า จนคนในครอบครัวอาจจะมองว่าเราไม่ปกติเราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับบางทีพ่อแม่ก็เป็นห่วงผมเพราะคิดว่าผมเป็นทุกข์แต่ที่จริงผมไม่ได้เป็นอะไรเลยครับก็ถูกต้องเรารู้ตัวเราเองก็เราไม่ต้องไปกังวลกับความคิดของคนอื่นเขามไม่เข้าใจเราเวลามีคนมาบอกบุญเป็นสะพานบุญแต่เรายังไม่พร้อมต้องพูดหรือวางใจอย่างไรที่จะไม่รู้สึกผิดครับ เขพูดความจริงไปแล้วตอนนั้นนยังไม่พอก็จบโยมเป็นอิสลามครับตั้งแต่เกิดแปดปีที่แล้วโยมรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตข้างในมันบอกไม่อยากมาเกิดอีกเลยก็เริ่มมาศึกษาทางนี้อยากถามว่าโยมจะหนีครอบครัวไปบวช ด, ดีไหมครับคือหายตัวไปเลยโยมไม่มีหนี้สินครับก็เป็นการตัดสินใจที่จะต้องคิดตัดสินใจเอาเอง เราไม่กล้าที่จะไปร่วมละเมิดในเรื่องนี้ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นคนที่หลับยากมากเลยครับไม่เคยหลับลึกท่องอิติปิโสสวดมนต์นับลมหายใจก็มีแต่เรื่องต่างๆวนเวียนในหัวไม่สามารถจะหลับได้ตื่นมาก็เวียนหัวบ้านหมุนอีกควรจะต้องทำอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นในเวลาที่เราไม่ได้นอน เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธไปไปภายในใจแล้วสวดมนต์ไปภายในใจแล้วค่อยเข้าสังเกตดูว่าร่างกายของเรากำลังทำอะไรอยู่ทํานี้ไปให้มีสติมากขึ้นลดความคิดปุจจิก ง, งให้น้อยลงต่อไปเวลานอนหลับมันก็จะนอนหลับง่ายความคิดต่างๆก็จะไม่เข้ามาในใจเราถ้าเราตักบาตรพระแล้วพระท่านหยิบของในบาตรท่านให้เรา เราจะผิดหรือบาปไหมครับไม่ก็เป็นการให้ของท่านเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ไม่บาปแต่โดยมายาตเมื่อใครให้ของเราเราก็รับไว้เป็นเป็นมารยาตส่วนเราจะไปทําใช้อะไรต่อ น, นี้ก็เป็นเรื่องของเราเราสามารถเลือกได้จะไว้ก็เลยต่อก็ได้นั่นจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้ คุณหมอคิดว่าเป็น Burning ิ o ม t h s ซินโ o รมพยายามอดทนพยายามมีสติแต่มันทรมานมากครับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องอดทนท่านั่นต้องพยายามเจริญสติให้มีมากขึ้นต่อไปความคิดไม่ลองการจะพูดอะไรต่างๆมันจะน้อยลงไปประหนักถึงการเกิดการจากพรากแต่ก็ทำใจยากที่จะไม่เศร้าในทุกครั้งที่คิดถึงครับจะต้องวางใจอย่างไรดีครับ พราเราไม่มีสติไม่มีสมาธิพายายาฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นพ้าจิตเราสงบแล้วเราก็จะไม่เศร้ากับการกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทานภาวนาสมาธิได้บุญเท่ากันหรือเหมือนกันไหมครับมันมันการได้บุญคือความสงบไม่เท่ากันทาบุญทำทาก็ได้รับความสงบขั้นหนึ่ง แน่นอน ก, กรรัการรักษาศีลการรักษาศีลมันน้อกว่าการภาวนาความสง บ, บนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นไปเหมือนขั้นบันไดจ้ขออนุญาตพระอาจารย์ครับจะบอกว่าวันนี้คําถามมีมาน้อยนะครับใครที่มีข้อสงสัยสามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับพระที่ไปประจําท่านเน้นอิทิลิศเครื่องรางของขลังเราไม่อยากไปอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับ ไม่บาปหรอศรัทธาเราสามารถยกได้ไราจะเลี้ยงขายเป็นครูเป็นอาจารย์เราไม่ได้ใส่บาตรพระท่านบอกว่าอยากถ่ายรูปไปให้เพื่อนที่รู้จักกันดูไม่ชอบถ้าหลีกเลี่ยงการใส่บาตรท่านอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับไม่บาปฟังบทสวดมนต์ทางยูกับเราสวดเองอันนี้ส่งได้บุญเท่ากันไหมครับ ถ้าสวนเองสวนเองมันจะจะได้บุญมากกว่าเพราะเราจะมีสติมากกว่าการที่เราฟังกลับขอความเมตตาแนะนำสำหรับผู้เริ่มสนใจศึกษาธรรมในแบบคารวะครับก็ฟังเทศฟังธรรมไให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนว่าพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างโดยหลักก็สอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนา เราก็ไปศึกษารายละเอียดของเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาต่อไป้วเราก็จะเข้าใจว่าเราต้องทำทำบุญทำทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรภาวนาอย่างไรเอเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถนำมัอเอาไปปฏิบัติได้เราเป็นแม่แต่งตัวไม่สุภาพแต่สบายลูกเพื่อนลูกอายเพื่อนบอกแม่ไม่ใส่ เสื้อข้างในลูกอายเพื่อนอย่างนี้ลูกเป็นบาปไหมครับให้บาป เ, เพราะมันเป็คนความรู้ของเขาเองมาก่า จ, จะคุ้นคิดให้รอบครอบเลยเวที่อยู่กับคนแปลกหนา้าคนแต่งกายแบบไหนให้เหมาะสมกับตัวเองพระสงค์ที่มีรถยนต์ส่วนตัวแล้วขับไปรับกิจนิมนต์นอกวัดอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่ครับเพราะอ้างว่าแก้ปัญหาการรับกิจนิมนต์ครับ คอเท่าที่เข้าใจเนี่ยพระสงไม่สามารถขับยานโยนได้นะแต่นั่งรถได้นำมาไปบินตาบ้าได้แต่ต้องให้คนอื่นเขาขับให้แม่มีลูกหลายคนโยมส่งเสียพ่อแม่ตลอดแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยเพราะเขายึดในอิสลามโยมจะหายตัวไปเลยอ่าอันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับอาจารย์ใส่บาท ต้องถอดรองเท้าไหมครับหากถอดแล้วยืนบนรองเท้าได้ไหมครับโดยธรรมนเนียมแเราต้องถอดรพระพที่มามป็นธ้ำบาตท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเมื่อถอดแล้วก็อย่าไปยืนอยู่บ น, บ น, ร, อบนรองเท้าก็เท่ากับไม่ได้ถอดอยู่ับต้องยืนมยืนบนพ้นดินอาจจะเป็นเพราะว่าโบราณก็ถือว่าเวลาใส่บาตรนะจับไม่ยืนสูงกว่าพระถ้าไม่ใส่รองเท้าพระ่าะยืนกับดินแล้วก็ต้องยืนกับดิน เพื่อนทําบุญแล้วลายบอกเราว่าอนุโมทนาบุญให้เราบางครั้งก็บอกอุทิศบุญให้เราครับอาจารย์รับสารแล้วก็สาธุไปนะั้นยินดีสแสดงความยินดีกับการทาบุญของเขาทาอาหารใส่บาตรพระสงฆ์พืชจะทําบุญอุทิศให้ผู้ร่วงรับพระสงฆ์รับบาตรแต่ไม่ได้ฉันอาหารนั้นบุญก็จะไม่ถึงผู้ร่วงรับไหมครับไม่เกี่ย ว, วถ้าเราทาไปนั้น เกิ ด, ดขึ้นมาในใจเราแล้วเนระาสามารถอุทินบุญที่จะเกิดในใจของเราไปได้ส่วนผู้รับจะเอาไปทำอะไรนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวบบุญที่เราทำทำขอพระอาจารย์ให้ปัญญาธรรมะสาหรับภาวะที่เจ็บป่วยได้ครับก็ต้องพยายามแยกใจออกจากกายให้ได้ว่าร่างกายเจ็บแต่ใจไม่ล้องเจ็บตามร่างกายได้ ใจเปนทุ่งหรุกข์ิดพยายามหยุดความคิดที่ไปคิดว่าตัตวเองเป็นร่างกายเพราะมา่อใจเครียตัวเองเป็นร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายหายเจ็บแล้ะพอไม่หายเจ็บก็จะทําให้ใจทุกข์ใจเครียดขึ้นมาก็สอนใจว่าอย่าไปอยากให้ร่างกายมันหายรักษาไปหายเมื่อไหร่ก็หายถ้าไม่หายก็ให้มันเป็นก็อยู่กับมันไปใจก็จะได้ไม่ทุกข์กับมัน ใสบาตแล้วไม่ได้กรวดน้ําจะเป็นอะไรไหมครับก็จะไม่ได้ส่งบุญให้กับผู้รองรับทนั้นเองถ้าตําการให้ผู้รองรับได้บุก็ต้องกรวดแต่ไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้ให้อุทิศให้ระลึกภายในใจว่าเขาอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วเชิญนั้นเชิญนี้ก็ถือว่าได้อุทิศบุญแล้วการใช้น้ํานี่เป็นเพียงแต่เป็นพิธีกรรมทนั้นเองแต่ต้องอุทิศ ต, ต้องมีการระลึกภายในจิตก่อนเริ่ม ขอให้บุญที่เราได้ทําในวันนี้ไปถึงบุคลบคลนั้นบุคคลนี้ที่ร่วงลับไปแล้วผู้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาไปได้รับบุญนั้นไปกายเวทนาจิตธรรมขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตกับธรรมครับจริตก็คือความรู้สึกนั่คือความอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตน่จิตน้ำก็แปรปรวนไปเรื่อยๆบางวันก็เบิก บ, บานสดชื่นบางวันก็ซึมเศร้า อาก็ฟุ้งซ่านนอนก็เครียดนี่ก็คือจิตที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบกับจิตก็ต้องเข้าใจว่าเราจะไปให้มันเป็นเหมือนสงบนิ่งอย่างเดียวมีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่เป็นไปไม่ได้แม้จะเข้าสมาธิเข้าฌานมันก็ยังต้องออกมาจากสมาธิออกมาจากฌานพออยากสมาธิออกมาจากฌ า, ออ า, กานาาาพราะได้รับเหตุปัจจัยที่อาจจะทําให้จิตเครียดขึ้นมาก็ได้ได้ยินเรื่องราวต่างๆ ไม่ได้สัมพันธ์บรู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องรู้ทันว่าอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างเดียวอย่าไปอยากให้มันสวบไปตลอดต้องมคิดเหมือนก็มันเป็นเหมือนเวทนาเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาว่เนี้ยมันก็มีสุขเนี่ยก็มีทุกข์เนี่ยก็มีไม่สุขไม่ทุก ข, ข์ใจก็เหมือนกันใจบางทีก็ใจก็เบิก บ, บานผ่องใสแจ่มใสบางวันีก็เศร้าหมองอะไรต่างนี้ ก็ต้องรู้ทันแล้วก็อย่าไปอยากมันถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปอยากปั๊บล้วไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อดับความทุกข์ใจเราไม่ได้มามาดับเวทนามไม่ได้มาดับร่างกายไม่มันให้มาดับจิตปล่อยจิตแล้วไม่มาควบคุมจิตปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เป็ย่างวราอยากไปอยากให้มันเป็นตามความต้องการของเราก็แล้วกันเพราะถ้ามันไม่เป็นมันไม่ได้มันก็จะทําให้เราเครียดไปทุกไปบวมๆความหมาก็คือเราอย่าไปทุกข์กับอะไรอย่าไปทุกข์กับเวทนาอย่าไปทุกข์กับร่างกายอย่าไปทุกข์กับจิตส่วนทัพก็คือทางที่เราใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปฏิบัติกับเรื่องาราวเหล่านี้เช่นสมถะสมาธิวิปัสสนาปัญญาอาริยสัจสี่ตจลักนี่ก็คือเรื่องของธรรม ที่เราจะต้องสำรวจดู ว, ว่ามีอยู่ในใจเราหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ต้องสร้าง ม, มันาขึ้นมาแม่บอกว่าเห็นย ม, มทูตมารับตัวครับแต่แม่ไม่ยอมไปด้วยจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกครับมันเป็นเหื่งความฝันนะนเราไปทชี้สาอนะไรจะเห็นอะไรก็ปล่อยก็เห็นไปประจัดการกับความสิ้นหวังได้อย่างไรครับ ก็ยอมรับความจริงการใช้ชีวิตเ้าไม่ทังสมหวังไม่ไม่ั้หความหวังถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีความหวังเช่ลยรก็จะไม่สิ้นหวังถ้ามีความหวังมันก็อาจจะสมหวังมันเทียบจะไม่สมหวังแต่ถ้าไม่มีความหวังก็จะไม่มีความสิ้นหวังยินดีตามมีตามเกิดพระเจ้าสอนอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับอะไรจะมาก็มาอจะไปก็ไป ไหวให้ เ, เป็นไปตามความเป็นจริงของเราแล้วอย่าประหยัดให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เสียใจคระที่บวชถือศีล227ข้อแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาบันแต่เน้นเมตตาทานแบบนี้จะได้บุญไหมครับและมีโอกาสมาเกิดเป็นนักบวชอีกไหมครับก็ได้ระดับของทาน่ับของเมตตามัานจะไม่ได้ระดับของ ของการภาวนาของปฏิบัติธรรมสุนทกรรมมาเกิดเป็นอย่างนั้นเองหรือไมนะ่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นนิสัยก็อาจจะกลับมาง่าจจะทําทําเหมือนเดิมก็ได้ถ้าติดเป็นนิสัยไปเป็นห่วงลูกมากจนเกินไปจนเป็นเหตุให้ทุกข์ควรจะปล่อยวางอย่างไรดีครับแล้วลูกก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน ล, ลูกก็เป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ มันินฟา้าจ่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้การงานมีปัญหาอยากจะขอกำลังใจจากพระอาจารย์ครับเราเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องนี้ทำ ง, งานทรงการมันก็ต้องมีอุปสรรืมีปัญหาเราก็แก้ไปถ้าแก้อะได้แก้ไปแก้มันได้ก็อยู่กับมันไปแค่นี้ ภาวนาอย่างไรให้จิตรวมครับยังทําไม่ได้สักทีครับต้องมีสติอย่างตอนนี้ประมาณถ้าห้านาทีไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยอีกแบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปห้านาทีแล่วเดี๋ยวเราหายใจเข้าห้านาทีเราที่ไม่เป็แว่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สามารถเข้าสมาธิได้ การสวดมนต์ออกเสียงเทพเทวดาจะมาร่วมฟังทุกครั้งไหมครับไม่มีใครก็จะมาฟังการสวดมนต์ของเราเรการสวดมนต์นี่เพื่อเป็นการจเจริญสติฝึกสมาธิของเราเท่นั้เองส่วนเทพเทวดานี่เป็นเรื่องเพลยเจอเทพก็ไม่มีเวลามานั่งฟังการสวดของเราหรอกเขาสวดของเขาเองดีกว่าเขาได้บุญมากกว่าถ้าเขาจะฟังเขาฟังเปนฟังพระพุทธเจ้า บังพ่อร้านแสดงทําให้เขาฟังดีกว่าเขาไม่มาฟังปุ้ต้องชนอย่างพวกเรามานั่งสวดผิดสวดถูกเพื่อนเป็นคนวิตกกังวลตื่นเต้นใจสัน่นควบคุมตัวเองไม่ได้จะต้องแนะนําอย่างไรให้เขาฟังครับต้องพยายามถดสติให้มากขึ้นให้จิตอย่าคิดมากให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้มีอะไรผูกจิตไว้พุโทโธพุโทโธไปในใจให้จิตมีความหนักแน่น ลอยไปกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆมีคนปาปาขวดเครื่องดื่มทิ้งขณะขับรถโดยไม่เจตนาแต่เศษขวดแตกกระเด็นเข้าตาเด็กที่ปั่นจักรยานอยู่ครับข้างถนนตาบอดคนปาเป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่ก็มีโทษทำให้คนเขาเสียหายเดือวร้อนถ้าเราไม่ได้ไปทำบุญที่วัด แต่ดูแลแม่อยู่บ้านจะได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าครับเพราะว่าจะต้องมาทำงานมีเวลาอยู่กับท่านไม่มากนักครับก็เป็นบุญคนละอย่างกันะแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันหลังจากสวดมนต์ทุกครั้งแล้วเริ่มจะนั่งสมาธิแต่จิตไม่นิ่งเลยครับจะต้องทาอย่างไรครับต้องฝึกสติให้มากๆระหววางวันก่อน เแต่เตื่นขึ้นมาก็พยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่ย่ อ, อจะทำได้บทสวดปฏิจจสมุ ป, ปบาทนำมาสวดเพื่อฝึกสติตัวเองได้ไหมครับไม่ได้แร้วการฝึกสติต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเรา ไม่ได้ใส่บาทครับแต่เราทําทานเป็นประจํานี่เราได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกันใส่บาต ก, ก็เป็นการทำทานอย่างหนึ่งให้เงินขอทานก็เป็นการทําทานอย่างหนึ่งปฏิบัติธรรมแล้วหูแว่วไปได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ครับเป็นเพราะอะไรครับอย่าไปสนใจใจเรา่าจจะไม่มีไม่หนักแน่นไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็ลอยไปลอยมา ดึงมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปพูกมันไว้กับพุโทโธเนี่ยมันก็จะนื่งสงบอาการต่างๆก็จะหายไปถ้าเจริญสมาธิเกือบทั้งวันทั้งคืนอยากบรรลุพระโสดาบันแล้วมีพระสูตรบทไหนที่ต้องศึกษาประกอบด้วยเพื่อให้ได้ปัญญาและได้พระโสดาบันครับก็สติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่จะให้บรรลุ ถ, ถึงขั้นพ า, านะเนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยทำบุญใส่บาตรครับแต่ชอบทำกับเด็กคนทุกยากคนลำบากคนพิการคนที่มีความขัดสนอย่างนี้ได้บุญเท่ากับใส่บาตรไหมครับก็ได้บุญก็คือความสุขใจบางคนสุขใจกับการใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรบางคนสุขใจกับการช่วยคนยากจนเขาก็ทำกับคนยากจนได้ความสุขใจเหมือนกันได้บุญเหมือนกันเวลาที่สวดมนต์ง่วงบางทีก็ฝาบฝงกไปเลย อย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่บาปถ้าสงบอะไรก็นั่นก็คือเป้าหมายของการส่วนมันต์สวนเพืให้จิตสงบพยาหลับก็แล้วกันถ้าหลับต้องไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลสี่ห้าข้อใดหากไม่ปฏิบัติจะทําให้ชีวิตเดือดร้อนที่สุดครับก็ข้อหนึ่งนะ่ะเป็นบาปเป็นบาปที่หนักที่สุดคือการฆ่า ถ้าสัตว์ตัดชีวิตเอาลงมาก็คือการรักทรัพย์ลองลงมาก็คือการประพฤติผิดในการเอาลงมาก็คือการพูดปดเอาลงมาก็คือการเดิมสาลายามาถ้าใส่บาทรวมเช่นใส่ให้กับพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรต้องใส่ในปริมาณเยอะกว่าปกติหรือไม่ครับเช่นต้องใส่น้ำมากกว่าหนึ่งขวดไหมครับก็การทาบุญแล้วก็ มันนี้ทำมากทำน้อยทำมาก็ได้บุญมากทำน้อยก็ได้บุญน้อยแล้วถ้าเราจะต้องแบ่งให้คนเยอะคนที่ตายไปแล้วเยอะมันก็ทำเขาอยากให้ก็ได้เยอะเราก็ต้องทำเยอะแต่ถ้าเราทำให้กับคนเดียวเราก็ทำเฉพาะคนเดียวก็ได้แต่ถ้าทำให้มกคนคเราอาจจะต้องเพิ่มอีกค่าเท่ากันมาเพื่อจะได้แบ่งกันให้ได้เท่าเท่าเท่ากันกับเท้าที่เราทำกับคนเดียว การสวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียงผลบุญได้เท่ากันไหมครับอยู่ที่ว่าเรามีสติอยู่กับการสวดมนต์แบบไห น, นแล้วจิตสงบหรือไม่สงบพ อ, อนั่งสมาธิแล้วสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าลมหายใจหายแล้วก็รู้สึกถึงความกลัวกลัวตายแต่ก็เลยบอกตัวเองว่าอยากลยากลัวอยากกลัวแล้วรู้สึกว่าสงบดีครับ ก็ดีวิธีไหนที่ทำให้ใจสงบก็ใช้ได้จะทำอย่างไรไม่ให้เป็นคนโกรธง่ายครับอย่าไปอยากมากให้ยินดีตามมีตามเกิดที่เราโกรธง่ายเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็เลยโกรธขึ้นมาถ้าลความอยากลงให้ยินดีตามมีตามเกิดได้มันจะทาให้เราไม่ค่อยโกรธใคร อยากจะเริ่มสวดมนต์ครับเริ่มสวดบทไหนอยากฝึกจิตใจเพราะว่าเพิ่งจะเสียลูกไปครับโดยทั่วไปแล้วมักจะสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่อนเพราะเป็นพระพระรัตนาตายเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นที่ยดึดหยิบจิตใจเราก็ต้องรู้จักพระพุทธคุณว่เาเป็นอย่างไรพระธรรมคุณเป็นอย่างไรพระสังฆคุณเป็นอย่างไรก่อน ลูกขออนุญาตถามความหมายของกายทิพย์ครับก็คือดวงวิญญาณเมื่อนั่งกายตายไปจิตนี่ก็จะเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นกายทิพย์นั่งภาวนาพุโทโธแต่ความคิดวุ่นวายครับทำอย่างไรให้สงบเพราะไม่พุโทโธนานพอเมื่อยากพุโทโธไปเรื่อยเีลยวบางิตก็จะสงบเองมายมันก็แข่งกัน เรพุทโทไปความคิดก็ยังคิดอยู่แต่ถ้ า, าพุโทโธต่อไปเรื่ยความคิดก็จะเบาลงน้อยลงไปตามลำดับพ่อเก็บกระดูกแม่ไว้ที่บ้านไม่ยอมเอากระดูกไว้วัดกลัวพ่อจะเป็นซึมเศร้าครับจะทําอย่างไรดีครับไม่เกี่ยวกันนะซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าอันนี้เป็นความรักของคนต่ออีกคนหนึ่ง พระอาจารย์ไม่ตาธิบายคําที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิและคํานี้ครอบคุมถึงผู้ที่ใช้ความคิดในการพิจนารณาทมด้วยไหมครับก็ใช้ความคิดนะคิดไปในทางปัญญาเช่นบางทีเราเครียดกัรื่องนั้นแล้วนี้เราเราไม่สามารถนั่งพุโทโธได้นั่งดูลมได้เราก็พิจารณาเรื่องที่เราเครียดเช่นเรื่องงานกลัวจะตกงานนี่เราก็พิจารณาแล้วเราควบคุมบังคับได้ในงานเนี่ย เราจะอยู่กับงานนี้ไม่ได้ไไม่ด้ตลอดหรือเปล่าเราสั่งได้ไหมว่าเราจะไม่มีใครสามารถที่จะให้เราตรงงานได้เมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเรายอมรับได้ว่าเร า, า จ, จะต้องถูกตรงงานก็ได้พอยอมรับได้ใจก็สงบเราใช้ปัญญาระงับความเครียดความทุกข์ต่างๆแต่จะไม่สามารถใช้ปัญญาเอาให้รวมเป็นสมาธิได้เป็นอันปนาสมาธิหรือเข้าฌานสี่ได้ อันนี้ต้องใช้การเพ่งดูลมเรื่องทางดุลิการพุทโธการใส่บาตรจาเป็นจะต้องใส่น้ําด้วยไหมครับปกติจะใส่ข้าวสวยกับข้าวกับปัจจัยเท่านั้นครับไม่จําเป็นอกจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วกินข้าวที่วัดจะเป็นบาปไหมครับ ไม่แบาบถ้าเป็นอาหารที่ก็จัดไว้ให้ให้ให้รับประทานต้องได้รับอนุญาตจาของธรรมวชิรก่อนถ้ายังเป็นของพระอยู่เราไม่ควรไปแตะต้องเลยแต่ถ้าหลังจากที่พระท่านได้พิจารณาท่านแบ่งของส่วนของท่านไว้แล้วส่วนที่เหลือท่านก็จะยกให้ญาติอยู่รับประทานาผมศรัทธานในปฏิปทาของพระอาจารย์มากครับเพราะเน้นให้ธรรมทานเหมือนพระพุทธเจ้าหรือหลวงตาช่วงที่ท่านยังไม่ได้เปิดตัวทองคําช่วยชาติครับ ฟัง u t u b e เมื่อเร็วๆนี้จําช่องไม่ได้คุยกันว่าคนหูหนวกบรรลุธรรมไม่ได้บวชไม่ได้เกิดมามีกรรมอย่างนี้จริงไหมครับต้องทำธรรมไม่ได้ไม่มีใครสอนสอ น, นอกจากถ้ามีภาษาใบแล้วก็สามารถเข้าใจก็สามาัยนี้ก็ก็มีการสอนภาษาใบได้ไดเรรพียงแต่ว่าพระที่เป็นอาจารย์สอนไมนรู้จะมีความสามารถสอนภาษาใบได้หรือเปล่า ถ้าสอนได้ก็ยังมีโอกาสบรรลุธรรมได้ครับแต่บางคนคนไม่ก็อ่านหนังสือได้นะครับอาจารย์ผมเคยเห็นถ้าอ่านได้ก็มีโอกาสใช่ไหมครับอาจารย์อ่านได้แต่เขารู้วิธีเจริญสติว่าจเจริญอย่างไรรู้ใจรักเรว่อนิจจังเรืออังอริยาาสัจสีเขาก็บรรลุธรรมได้ใส่เงินในบาทพระบาปไหมครับเคยได้ยินว่าใส่บาทด้วยเงินสดเราจะเป็นบาปครับ คนใส่ไม่บาป้วคนรับเป็นพนะระเนี่ยผิดพระวินยันยเพราะในหักของการรับเงินทอง น, นี้ต้องฝากไว้กับลูกสิทธิ์พระรับตรงมือเองไม่ได้ทำอย่างไรจะลดความวิตกกังวลได้ครับก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเราอยู่ในเรื่องที่ไม่มีอะไรทแท้งแน่นอนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะไม่เกิดก็ไม่เกิด ได้ยินข่าวเด็กเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบ้างด้วยถูกฆ่าบ้างฟังแล้วหดหูควรทําใจอย่างไรครับเราเป็นเรื่องธรรมดายามรับว่าทุกคนที่เกิดมาในน o กนี้ย่อมมีความแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนแต่แก่เจ็บตายเดี๋ยวหรือชานี้กระล้แต่บุญแต่บาปแล้วแต่เหตุตั้งปัจจัยที่เราไม่มีสามารถไปควบคุมกทําได้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตายนะเราอาจจะตายได้ทุกเวลา จำเป็นต้องใช้เหยื่อฆ่ามดเพราะมีเยอะมากจะบาปมากไหมครับแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้ครับถ้าทําให้หมดตายก็บาปต้องหาวิธีการมดไม่ให้ขึ้นมามนอาจจะมียาที่เราอาจจะขีดช็อกเมี่ยเาพอขีดขวางทางเดินของของมดพอก็ได้กินยาเขาก็จะไม่ไม่มาเขาก็ยัง ไ, ไ, ไม่ขึ้นมาได้ ยายอายุ64แล้วยังทำงานก่อสร้างอยู่บางวันนั่งสมาธิหลับไปเลยเพราะเหนื่อยมากครับอย่างนี้ยายได้บุญไหมครับถ้าหลับก็ไม่ได้บุญต้องมีสติล้วจิตสงบถึงจะได้บุญเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมครับใกล้บอดแล้วควรวางใจอย่างไรครับเตรียมเตรียมยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น การเลี้ยงสุนัขดูแลอย่างดีให้อาหารทุกวันแต่วันหนึ่งเขากัดกันเพราะเราพั้งมือไปตีเขาโดนจุดสําคัญทําให้เขาเสียชีวิตเศร้าเสียใจมากและโทษตัวเองตลอดเราควรทําอย่างไรถึงจะปล่อยวางได้ครับถ้าเราไม่มีเจตนาเราก็ไม่บาปเป็นอุบัติเหตุไปคิดว่าเป็นเป็นกรรมของเขาที่ต้องถึงเวลาที่ต้องเสียชีวิตของทําไปส่วนส่วนที่เราทําได้ก็คือทําบุญแล้วอุทิศบุญให้กับเขาไปได้ ใส่บาทโดยวินัยกับใส่บาทเพราะตั้งใจแตกต่างกันไหมครับทําแต่ใส่ทุกวันนะครับไม่ใช่เขาใส่บาทรโดยวินัยนี่หมายความว่าไม่มไม่รู้เป็นหน้าที่โดนสั่งมาอย่างนี้ไหมครับพระอาจารย์ครับถ้ามันถ้ามันไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเจ้านายสั่งให้เราใส่ให้เขาเนี่ยเราไม่ได้บุญไม่ได้บุญจากการเสียเสียข้าวของเงินทองไปแต่เราจะได้บุญจากการรับใช้เจ้านาย อยยขอความกรุณาพระอาจารย์ให้แนวทางการอยู่คนเดียวครับช่วงนี้มีอาการเ ค, เคว้งเว้งเหงาเหงาดิ่งดิ่งเป็นระยะอยู่กับบ้านเสาร์อาทิตย์สมาธิในบ้านน้อยลงน้อยลงครับเลยชักเววงเวงทั้งเป็นคนอินโทรเวิร์ครับก็ต้งองพยายามทำจิตให้สงบพัฒนาสติบ่อยๆนั่งสมาธิมากๆเพราะจิตสงบอาการต่างๆก็จะหายไปจะมีความสดชื่นเบิกบาน อิ่มใจสุขใจจากจา ก, การทำใจให้สงบ <Laura> ทำอย่างไรให้เป็นคนใจเย็นครับก็ให้มีสติมากๆแล้วก็ลดความอยากลงให้ให้มากที่สุดให้ินดีตามเมตตามเกิดทั้งโดด พระนั่งรับบาตรตอนเช้ารอคนใส่บาตรหลายๆคนถึงสวดให้พรเป็นรอบๆถ้าเราใส่บาตรแล้วไม่รอรับพรเป็นเรื่องไม่สมควรไหมครับไม่ไมันก็แล้วแต่ถ้าเขาบังคับให้ให้อยู่ก็ต้องอยู่แต่เขาไม่บังคับแล้วก็ไปของเราได้นําสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วโดนลดเงินเดือน แต่รู้สึกเฉยๆ เ, ฉยเพราะท่านอาจารย์เคยสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงครับแสดงว่าเราไม่ดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักเลยเห็นนั้นนี้จังไม่เที่ยงไม่เห็นกับทุกสิ่งทักอย่างถึงเราจะได้ไม่ทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเรายังจะมีความสุขได้หากพระสองค์อาพาธแล้วผู้ดูแลคือใครครับพระสงฆ์เล่นกัน ท่านพระอาจารย์บอกให้อยู่กับเวทนาตอนนั่งไม่สงบเมื่อสุขไข้ขึ้นกำหนดอะไรไม่ได้เลยเห็นแต่ใจที่รุ่มเรา้าเลยปล่อยวางภาระอยู่กับมันไปแล้วมันหยุดเป็นความสบายขึ้นมาทำไมมันคล้ายกับตอนนั่งสู้กับเวทนาครับถ้าเราปล่อยวาง่ยถ้าเราปล่อยวางาจาเราก็จะไม่ทุก คนที่ทำทานช่วยเหลือคนมากๆจะส่งผลให้เขาร่ำรวยไหมครับรวยรวยมากขึ้นเราควรเริ่มศึกษาจากมรรคหรือหลักธรรมใดตั้งแต่ต้นจนจบครับว่า น, นี่ทานสีนภาวานานเป็นหลักธรรมที่เป็นเป็นหลักที่จะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นมรรคทานสีนภาวานา น, นี้เป็นมรรค ยังไม่ได้บวชให้พ่อแม่แต่เราอายุมากแล้วเราอยากจะบวชควรบวชไหมครับก็แล้วแต่เราจะต้องตัดสินใจให้ให้คนมาฉีดปลวกเป็นการทำบาปไหมครับก็อยู่ว่าเราร้านเขามาอย่างไรถ้าเราสั่งเขาม า, า, าก็บาปแต่ถ้าเขาอาสามาทำให้เราโดยที่เราไม่ได้บอกเขาไม่ได้สั่ง เราก็ไม่แบบดัง น, นเราอาจจะต้องมีโวหารในการพูดฉะนนอาจจะไปบอกเขาว่าที่บ้านมีปลวกมีปัญหาบอกเขาเฉยๆแล้วถ้าเขาอาสาบอาไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเรามาจัดการให้อันนี้เราก็ไม่บาปแต่ถ้าเขาบอกคุณช่วยเาช่วยจัดการปลวกให้หน่อยมันขึ้นเต็มบ้านเลยถ้าพูดอย่างนี้ก็บาปเพราะไปสั่งเขานั่นอยู่ที่โวหาร อา น, นิสงของการถวายผ้าไตรจีวรมีอะไรมบ้างครับมันก็มันสิ่งที่ยังเป็นต่อการดำรงชีพเมื่อเรามันก็จะกลับมาหาเราเราให้อะไรไปเราก็จะได้กลับสิ่งนั้นกลับมาแต่มันเป็นของแทนกันได้หมายถึงการถวายผ้าเราแต่ถ้าเราทานอาหารเราก็อาจจะได้อาหารมาแทนก็ได้มันเป็นของแทนกันได้บุญนี่นเป็นเหมือนแก้วสารพัดเนี่ย ไม่จำเป็นว่าจะทําแต่ผ้าเราจะได้แต่ผ้าอย่างเดียวใส่ข้าวหาแล้วจะได้แต่อาหารอย่างเดียวไม่ใช่ทําแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นแก้วสารพัดนึนขึ้นมาขาดแคลนอะไรต้องการอะไรสิ่งนั้นก็จะมาหาเราช่วงทําวัดเย็นก่อนนอนชอบเปิดเสียงที่คณะครูบาอาจารย์ทําวัดแล้วตนเองจะสวดไปด้วยเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจเพราะไกลครูบาอาจารย์ แบบนี้จะมีผลเสียอย่างไรไหมครับเปิดเสียงเบาไม่ต้ดังรบกวนห้องข้างๆนะครับไม่มีเสียหายตรงไหนการสวดมนต์สวดร่วมกันก็ได้สวดตามลำพันก็ได้ใส่บาตรพระแล้วไม่รอรับพรพระได้บุญไหมครับได้บุญเกิดจากการให้ไม่ได้เกิดจากการรับพรการรับพรนี้ไม่ได้บุญอะไรเลย การลอยอ change, right? <the> ังคารเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์เราศาสนาพุทธไม่จําเป็นต้องไปลอยอังคารใช่ไหมครับก็เป็นวิธีกาจัดสร้างร่างกายวิธีหนึ่งเราจะไปฝังดินก็ได้เราจะเอาไปบรรจุสร้างเจดีย์บรรจุแล้วก็บรรจุในเจดีย์ก็ได้แล้วแต่เรา นั่งสมาธิแล้วกายหายไปตัวเบามากมีความสุขไม่อยากได้สิ่งของใดๆบนโลกเลยแบบนี้เขาเรียกว่าสมาธิได้หรือไม่ครับใช่ถ้ามีความสุขมากแล้วไม่อยากจะได้อะไรแสดงว่าเราได้สมาธิเป็นน้องคนสุดท้องพี่เริ่มจากไปอนาคตถ้าเราต้องอยู่คนเดียวจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับต้องพึ่งตนเองทำทุกอย่างด้วยตนเองของน้อเอง นที่นของตาไมโยมรักษาศีลห้าและวันพระถือศีลแปดสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ทาไมโยมถึงโดนคุณใสใส่มาในของกินได้ครับไม่รู้เหมือนกันเวลาของบุญพรามินท บ, บารมีที่ญายิโยใสอาหารบุญมาคิดก็มีเหมือนกัน จริงแล้วทางเสียก็มีเหมือนกันแล้วแต่เหตุตามแต่ปัจจัยนี่เป็นเรื่องสุดวิสัยครับแล้วคุณใส่ที่เขาทาใส่อย่างนี้มีจริงเหรอครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่ความเชื่อะครับทาไม่เชื่อก็ไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทำไม่เชื่อก็ไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดที่เราศรัทธามาก วัดทางภาคกลางแต่พอไปถึงที่วัดแล้วเห็นโยมที่วัดเป่เมินเราแต่กับโยมรวยๆมีฐานะมียศทั้งพระและโยมที่วัดจะยิ้มแย้มแจ่มใสครับอาจาะก็เป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไปให้คุณประโยชน์มากเขาก็จะได้มีคนคนยินดีตั้งรับมากกว่าคนที่ไปทําคุณนําประโยชน์น้อยกว่าถ้าอย่างใจาเขาต้อนรับต่อดีแล้วก็ไปทําคุณทําประโยชน์ให้มากขึ้นเดี๋ยวเขาจะจดจำเราได้เอาว่า mm hmm. คนที่มาทําคุณนําประโยชน์ให้มากเรา เขาว่ายินดีต้อนรับมากกว่าคนที่มาทําคุณทําประโยชน์น้อยเปนเรื่องปกติของทางโลกอย่าไปอย่าไปเดือดร้อนเราทําไปตามกำลังของเราก็แล้วกันเาทำบุญไม่ได้หวังให้เขามายินดีน่ายับเราเราทําบุญเพื่อลกักกิเลสของเรารัวความโลกความอยากต่างๆทาบุญก็ให้เราเปค็ความสุขใจก็พอมีเขียนตอบบอกว่าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้ห่อเหี่ยวครับแต่หนูรักพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมครับแล้วก็บอกว่าวางใจ อย่างไรได้ครับก็เรายัางหวังสังสรัศเซนอยู่จากการทําบุญของเราซึ่งเป็นโลกธรรมแต่รัศเซนี่มันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็มีดังนอย่าไปหวังผลทางโลกธรรมให้หวังบนทางธรรมคือความอิ่มใจสุดใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันของเราลูกชายหัวใจวายเมื่อสองการานต์นี้ครับอายุ28 คิดว่าเขาจะหลุดพ้นหรือยางวนเวียนอยู่วิธีทำบุญให้เขาอยู่ในภพภูมินั้นอย่างเป็นสุขอย่างไรครับเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่มียางอย่างสร้างแล้วก็เพียงแต่ส่งไปเพอเพอเอาไว้ถ้าเพอเขามารอรับบุญอยู่เขาก็จะได้รํา บ, บุญที่เราส่งไปพระสงค์ที่ทําให้คารวะแตกแยกอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ่างเ้อ <c oughs> <c oughs> คือการทํำให้แตกยากแตกสามัคคีไม่ดีทั้งนั้นแหละอย่าไม่ทําคนอย่ให้คนก็รักการชอบกันจะดีกว่าอย่าไปทำให้ยุยงให้คนเขาเกลียดกันอันนี้เรียกว่าเป็นการส่อเสียดพูญแจส่อเสียดยุยงให้เกิดคการแตกสามัคคีกันก็ถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งบาปทางวาจาครับเวลาดูรายการเขาจะต้องไปจับปลาด้วยตัวเองแล้วมาทําอาหารจับปลาที่ไปจับ เองถ้าเราเป็นผู้ชมจะเป็นการได้บาปไปกับคนที่ไปจับปลาแล้วามาทาอาหารไหมครับอ๋อไม่เกี่ยวนะเราเราดูเฉยๆดูคนข่ากันใเราไม่ได้บาปไปกับเขาด้วยถ้าเราไม่มีการกระทามีส่วนน่อมด้วยใส่บาปผมเลือกใส่บาทพระที่เดินมินต์บาทเท่านั้นพระที่ยืนนิ่งหน้าร้านขายข้าวแกงผมปรารถนาจะใส่แบบไม่ปรารถนาจะใส่นะครับแบบนี้จะบาปไหมครับ ไม่บาดบางวันไม่สบายไม่ได้ไปใส่บาตตอนเช้าออกก็ผิดมาแค่นี้เลยครับอาจารย์อาอาจารย์ครับไหว้าสารตาสารยายได้บุญด้วยหรือไม่ครับมันก็ไม่จะเป็นบุญทางศาสนาเนี่ยแต่ก็ได้ ได้ความรู้สึกที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้นะอันนี้เป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่สูงกว่าเราก็ได้การทําบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับด้วยการตักบาตรกับทําบุญแบบอื่นเช่นบริจาคให้โรงพยาบาลให้ผลต่างกันไหมครับเหมือนกันถ้ายังเป็นทานอยู่เหมือนกันในการทาทานเหมือนกันให้อาหารก็ได้ให้เงินทอง ก็ได้ให้สิ่งของก็ได้ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปวัดเลยครับใจยังนึกหาอยู่ครับก็ไปวัดก็ไปเที่ยวไปแล้วไปทําอะไรมากกว่าถ้าไปแล้วไม่ได้ทําอะไรก็เหมือนยังไม่ได้ไปบางคนไปวัดแต่ไปถ่ายรูปไปเที่ยวกันไปเป็นมือนสถานที่ทเที่ยวอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าไปวัดเลย ไปวัดก็ต้องมีเป้าหมายของการทำบุญเป็นหลักไปวัดเพื่อทำบุญทำทานเพื่อรักษาศีลเพื่อปฏิบัติธรรมความเทศความธรรมอย่างนี้ถึงจะเป็นการไปวัดที่ถูกที่จะได้บุญได้คุณได้ประโยชน์สภาวะที่ไม่เอาอะไรเลยคือการปล่อยวางหรือเปล่าครับก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามีความสุขใจอิ่มใจเราไม่หย ห, หยกับอะไรเราก็ไม่ต้องการอะไร ขอกลับขอหลักธรรมในวัยเกษียณอายุหกสิบปีครับพระอาจารย์ก็พยายามหาอะไรทาอยู่เฉยๆหาหาธรรมะมาปฏิบัติกันเวลาสตินั่งสมาธิกันไหว้พระเสด็จ์นัำเทศญสองธรรมแล้วชีวิตจะมีความสดชื่นเบิกบานไม่เศร้าไม่เศร้าซร้อยไม่เหงา นึกถึงตายแบบไม่เจ็บไม่ปวดทำยังไงเราจะตายแบบมีความสุขแบบไปสบายครับอาจารย์เราลองมีสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จ ะ, ะตายอย่างมีความสุขจะเข้ารับตำแหน่งใหม่ครับแต่มีความกังวลใจว่าจะทำได้ไม่ดีครับอาจารย์ก็ลองดูกาแล้วกันไม่ลองก็ไม่รู้ การพิจารณาว่าความตายอาจมาถึงเราในตอนนี้ก็ได้เราจึงระวังในการกระทำของเราคือให้เป็นกรรมดีควรทำตลอดเวลาถูกต้องไหมครับถูกต้องการเป็นถามครับคนที่ครองโสดและคนที่มีคู่แต่ไม่ยอมมีลูกแต่ไม่เข้าหาธรรมไม่สนใจจะรู้สีไม่รักษาสีและไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงที่สุดหลุดพ้น เหตุป้องกันไม่ให้มีลูกจะเป็นเหตุทําให้เขาเหล่านั้นจะหาที่เกิดยากได้ไหมครับเขาไม่เกี่ยวกันเนาะมันจะเกิดยากเกิดง่ายมันก็แล้วแต่เหตุตามปัจจัยต่างๆ ต, ตั้งแต่ปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิมาทุกน้อยลงยอมรับได้มากขึ้นอย่างนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหมครับถูกทางแล้ว บางวันไม่สบายไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าแต่เอากับข้าวที่เตรียมใส่บาตรไปถวายเพนอย่างนี้ได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันจะทำอย่างไรจะให้ใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิในทุกๆวันครับมีสติคอยควบคุมความคิดอจ่ไปให้ใจคิดเร็ว ไ, ไม่อยู่ทำบาริการพุทโธพุทโธไปเรื่อย โดยให้จดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายตลอดเวลาที่ผ่านมาโยมทําบุญครบรอบปีให้แม่โดยนิมนต์พระมาสวดและฉันที่บ้านแต่ถ้าโยมเปลี่ยนมาทําบุญครบรอบปีให้พ่อโดยใส่บารพระสงฆ์ที่วัดได้ไหมครับได้ทําบุญที่ไหนก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกัน จะมีวิธีช่วยคนที่เป็นสมองเสื่อมให้ไปสู่สุขติได้อย่างไรครับก็ต้องสอนเขาให้มีสติมากขึ้นแล้วก็มีปัญญาในการฟังเทศฟังธรรมอยู่คนเดียวมีสมาธิท่องพุโทโธมีสติดีแต่พอไปทำงานหรือเจอคนทำไม่ค่อยได้ครับอาจารย์ขอแนวทางครับก็เพราะว่า สิ่งต่างๆในการลบกวนใจเราจะดึงใจเราให้ไปคิดถึงเรื่องเรงนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมาดึงใจมันก็จะทําให้เราเจริญสติได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่ได้ใสบ่บาตแต่สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้บุญพล อ, อยยามกันนบุญนี่บุญที่เกิดจากการสวดมนต์นี่ยังไม่ได้ก็อาจยังยังไม่เกิดเพราะยังไม่ได้ผล การสวดมนต์เพื่อให้ใจเนื่งสงบเป็นสมาธิกันมาก่อนถ้ายังไม่เกิดสมาธิผลของบนนุญที่เกิดจากการสวดมนต์ยังไม่เกิดหนูไม่ได้ไปตรวจสุขภาพมาห้าถึงหกปีไม่ตรวจเลือดด้วยตั้งใจว่าถ้าป่วยถึงจะไปหาหมอยอยากปล่อยไปตามธรรมชาติและถือว่าฝึกไปด้วยแบบนี้เป็นความคิดสุดโตกไปไหมครับ ก็แล้วแต่เราป้องกันของเราคือเม่ต้อการจะทุกข์กับร่างกายถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายใครว่าสุดตรงไม่สุดตรงก็มไม่เป็นปัญหาะไรคู่ชีวิตเราเสียแล้วทุกครั้งที่เราจะกินอะไรเราจะเอ่ยเรียกเขาทุกมื้อเขาจะได้รับไหมครับไม่ได้รับหรอกทาบุญเสริมบ้านื้ออาหารไปจากคนขอทานแล้วก็สง่ง แล้วก็ส่งบุญที่เราได้จากการทําบุญนี้ไปให้เขาเข า, เขาถึงจะได้รับแล้วก็รอรับอยู่ถ้าหากมีฟุง้งซ่านหรือมีเรื่องให้คิดมากเคยนั่งสมาธิแล้วไม่นิ่งเลยครับรู้สึกอึดอัดมากถ้าผมเปิดฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะเพื่อระ ง, งับก่อนดีหรือควรฝืนนั่งต่อไปดีครับก็ต้อง เ, เปลี่ยนมานั่งฟังเทศก่อนก็นดีนั่ง อ, อ่านหนสือธรรมะก่อนเพิ่มถ้า ก็สร้างสติให้มีมากขึ้นเมื่อมีสติมากขึ้นความคิดก็จะน้อยลงเวลามานั่งสมาธิก็จ ะ, จ, จะทําให้นิ่งได้ง่ายขึ้นเป็นมะเร็งครับอยากจะสวดมนต์ครับจะต้องสวดบทไหนครับก็สวดบทพระพระรัตนนาฏัยก่อนพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ระคุณก่อน โยมพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้สิ้นไปคือเวลาชีวิตหมดลงไปเรื่อยๆจึงไม่ประมาทในปัจจุบันปฏิบัติถูกต้องไหมครับเขาไม่ปฏิบัติหมายถึงทําอะไรก็ต้องรีบทําบุญเรีบปฏิบัติทำถึง่ะเรียกว่าไม่ปฏิบัติไม่ไม่ประมาทแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ทำบุญก็ยังไม่ก็ยังถือว่าประมาท ไปสู่นิพพานอยากจะขอคำอธิบายคำว่านิพพานคับพระอาจารย์นิพพานคือจิตที่สาดบริสุทสิ์ปราศจากความสะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นคนคิดมากลังเลไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนั่งสมาธิไม่ค่อยได้จะทำอย่างไรดีครับขับสติพยายามฝึกสติให้มากขึ้นับ อย่างพูโทโธพุโทโธในระหว่างวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้ก่อนที่จะมานั่งสมาธิวิบากกรรมคืออะไรครับทําอย่างไรให้เราดุดพ้นวิบากกรรมครับวิบากก็แปลว่าผลของการกระทํากรรมคือการกระทําเราทําบุญผลของบุญเราก็เรียกว่าวิบากเล่นไปสวอนแล้วมีความสุขเกิดขึ้นในใจเรานี่เราเรียกว่าวิบาก ถ้าเราทำบาปเราก็เกิดความทุกข์ใจเวาตายไปก็ไปนรกอย่างนี้เรียกว่าวิบากที่ทาที่เกิดจากการทำบาวิบากแปลว่าผลกรรมคือการกระทำเป็นเป็นเหตุทำดีเรียกว่าบุญทำบาปทาทาไม่ดีทำร้ายเรียกว่าบาปวันพระไม่ได้ไปวัดแต่ถวายข้าวพระพุทธที่บ้านแทนได้ไหมครับ ก็แล้วแต่เราจะทำอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเราถวายแบบถวายพระอาหารพระพุทธรูปเราเราไม่ต้องไปใส่บารนอนะคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนกันการใส่บาตรนี้ได้บุญแต่การถวายพระอาหารกับพระพุทธรูปนี้ไม่ได้บุญโยมถูกใช้ให้ทำงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสะดวกของหัวหน้ารู้สึกถูกเอาเปรียบจะทำอย่างไรดีครับก็ทนต่อไปแล้วย้ังนงินญาติคุณแม่เสียครับแต่ไม่อยากให้แม่เสียใจจึงไม่บอกหลอกแม่ไปเรื่อยๆจะบาปไหมครับโดยเฉพาะพี่สาวที่เสียไปก็หลอกว่าพี่สาวไปบวชตลอดชีวิตครับก็โก็ก็บาป พระธรรมยุทธมาบินธบาทท่านไม่ให้พรและขอให้ท่านช่วยกวดน้ําท่านบอกว่าท่านจะอาบัติจริงหรือเปล่าครับไม่ทราบมันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยเยไม่ค่อยชํานาดด้านพระมีนายเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจริงทำไมต้องขออาัายด้วยเวลาได้ฟังคําพูดที่ทําให้เสียใจนะตอนนั้นรู้สึกได้ถึงความเสียใจวิ่งเข้ามาที่ใจ สักพักถึงคิดได้ว่าใช้คำบริกรรมพุดโธ ท, ทำไมความรู้สึกเสียใจยังคงอยู่ครับาอาจารย์เพราะยังใช้น้อยไปไหนยังต้องพุดโธไปยังกว่าความเสียใจจะหายไปถึงจะหยุดบริกรรมได้ถ้านอนสมาธิก่อนนอนจนหลับอย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้ ขณะนั่งสมาธิเคยมีประสบการณ์เหมือนจิตตกเข้าไปในสภาวะคลายถ้ำมืดมืดลึกๆทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวอยากขอคำแนะนำว่าหากในครั้งต่อไปเกิดสภาวะเช่นนี้อีกควรวางจิตหรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับก็ให้ลู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ ปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนาสมาธิจะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าทําจะเป็นนิสัยขึ้นมาหรือไม่ถ้ายังไม่เป็นนิสัยมันก็อาจจะไม่ติดไปถ้าเป็นนิสัยแล้วมันก็จะติดไปโอนเงินไปให้เพื่อนซื้อน้ําถวายพระตอนสวดมนต์อย่างนี้เราได้บุญไหมครับ ไ, ได้ การท่องพุโทโธระหว่างวันเท่าที่นึกได้เป็นการฝึกสติแต่การท่องพุโทโธตอนร่างกายอยู่นิ่งๆเช่นนั่งหรือนอนคือการฝึกสมาธิลูกเข้าใจถูกไหมครับก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยูอย่มันจะไม่มันจะไม่เข้าสมาธิมไม่ได้แต่ให้ร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆจิตถึงจะเข้าสมาธิได้ ตอนใกล้จะตายควรนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และละทุกสิ่งในที่นี้ต้องละอะไรบ้างครับนะร่างกายโดยหลัก็ละร่างกายเป็นคนขี้น้อยใจครับต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปหวังอะไรจากใครเ ร, เราก็จะไม่น้อยใจอย่าน้อยใจก็ระเราหวังแล้วไม่ได้ังใจหวังก็ไลยน้อยใจขึ้นมา เมื่อจิตสงบมีสติแล้วจะทําให้มองเห็นปัญหาการแก้ปัญหาและเหตุปัจจัยที่เป็นทุกข์ได้ไหมครับครับได้แต่ก็ยังต้องมีปัญญาถึงจะจะแก้ได้ต้องรู้เหตุรู้ผลของทุกข์ว่าเกิดจากเหตุอย่างไรเพียงแต่มีจิตสงบก็อาจจะทําให้เรามองทุกอย่างชัดเจนขึ้นแต่ถ้าายังไม่มีปัญญาเราก็ยังอาจจะไม่สามารถที่จะอแก้ปัญหานั้นได้ ตอนเช้าผ่าที่พาท่านมาบิณฑบาต ท, ท่านก็เดินพระนะครับพระท่านเดินตรงมหาญาติโยมเลยโดยที่ญาติโยมไม่ได้พูดคาว่านิมนต์โยมบาปไหมครับกอเดินทํามเนียมเวลาบิณฑบาตไม่น่าเขานิมนต์แล้วก็เดินไปหรือใครอยากจะใส่เขาก็เขาก็นิมนต์หรือไม่งั้นเขาก็มาดัดข้างหน้าแล้วก็พอพานเดินมาเขาก็เขากตัดข้าวใส่บาปไปอันนี้ไม่ต้องใช้การนิมนต์มันเป็นการ เป็นประเพณีที่รู้กันอยู่แล้วว่ามาเ็นทบาทคนใสก็รู้อยู่แล้วเ่าจะมาใสบาตคนที่ยากจนไม่มีเงินทำบุญทำอย่างไรจะทำบุญให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ครับไปเป็นจิตดาวสานไปทำงานให้กับสังคมมีพี่สาวที่ไม่สนใจธรรมะเลยเอาแต่สนใจความร่ำรวยตลอดเวลา แบบนี้แสดงว่าไม่มีวาสนาบารมีกับธรรมะของพระเจ้าใช่ไหมครับคุณน่ตอบของคุณเร่นกันดีกว่า อ, อย่างมันก็เป็นเรื่องที่คนก็รู้อยู่แล้วมาถามนองขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายประโยคที่ว่าสร้างวัดส่วนหนึ่งในใจด้วยครับคือคำว่าวัดนี่บายถึงที่สบงบไงงั้น ถ้รารต้องการให้มีวัดในใจก็ควอเราต้องทําใจให้เราให้สงบแล้วก็จะมีวัดข้างในท่านั้นแหละเวลาก็สร้างไว้ก็ขาจะต้องจะไปหาที่สงบสร้างกันที่ห่างไกลจากชุมชนที่เงียบที่วิเวกเพราะว่าเราต้องการสถานที่ที่สงบเพื่อจะทําให้เกิดความสงบทางใจขึ้นมาเป้าหมายละก็คือเราต้องการให้ใจสงบให้ใจมีวัดขึ้นมาในใจ ถ้าสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวโดยไม่ใส่บาตรอย่างนี้ได้ได้ไหมครับอาจารย์มันก็ได้มุลคนละอย่างกันแต่บุญที่ก่อจากการสวดมนต์ยังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ามันมันยังไม่สงบจิตยังไม่เป็นสมาธิทําบุญกับพ่อแม่กับตัวบุญกับพระเราควรทาบุญแบบไหนก่อนครับเราจะได้ไปเกิดในสุขคติไหมครับ มันก็ต้องทำบุญกับผู้มีพระคุณกับเราก่อนคือพ่อแม่ของเราถ้าเจอคนที่มีอัตราสูงควรทําอย่างไรครับก็ปล่อยเขาไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราจะทําอย่างไรไม่ให้ทุกใจจากการเห็นการกระทําที่ไม่ดีของผู้อื่นครับ ก็ถือว่าเป็นเรื ง, เร ง, เรงธรรมดานเรน่องนี่ในคนดีและคนไม่ดีมีคนกระทำความดีก็มีคนกระทำความไม่ดีก็มีเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้มีรูเมีที่พูดแต่เรื่องท็อกซิคของตัวเองให้เราฟังทุกเราควรจะทำยังไงดีครับทำใจเฉยเฉยเถอะ อา น, นิสงส์งของการใส่บาตรทุกวันคืออะไรครับก็จะได้บุญในสะสมบุญที่จะส่งเราไปสวรรค์ต่อไปในความสุขใจในปัจจุบันทำบุญแต่ละครั้งก็ทำให้ใจเราเย็นมีความสุขตายไปบุญนี้จะส่งเราให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆต่อไป ถ้าจะคิดถ้าคิดจะบวชตลอดชีวิตควรไปบวชที่ไหนดีครับที่จะสามารถบรรลุธรรมได้และไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นครับคุณต้องไปหาเ้วัครับคนคอมเมนต์ครับพระอาจารย์บอกว่าเป็นคนเคยโดนคุณใส่นะครับแม้ไม่เคยเชื่อที่โดนเพราะมันมาจากกรรมใครๆก็หนีกรรมไม่พ้นครับ ก็แล้วแต่เราจะแปลความหมายกันนะคุณสายงาน จ, จะเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งก็ได้คือเราไปเรียกว่ามันว่าเป็นคุณสายบางทีมันก็เป็นวิบากกรรมของเราพูดคอมเมนต์คำว่าอนุโมทนาหรือคำว่าสาธุเวลามีคนไปทําบุญมาจะทําให้เราได้บุญจริงหรือครับก็เราก็ได้ความยินดีไ ด, ได้ความสุขใจที่เห็นคนอื่นเได้ทําบุญก็ เ, เป็นบุญเล็กเล็กน้อยน้อย หนูกำลังรู้สึกว่าหนูกำลังหนีความจริงณปัจจุบันขณะเพราะกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงปลุกสติตัวเองไม่ค่อยได้ครับทำอย่างไรดีครับวนๆอยู่ทั้งวันเลยครับก็คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีที่สุดว่านี่เป็นของแน่นอนไม่ใช่ก็แล้วว่าต้องเกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนแล้วเต็มตัวอยอมรับความจริงกันนี้ให้ได้แล้วใจวเราก็จะไม่เุ่นวาย ถ้าเรารับความจริงของความแก่ความเจ็บความตายได้เรื่องอย่างอื่นเราก็จะรับได้หมดจะไมไ่รู้สึกเดือดร้อนทุกใจวันนี้ได้รับฟังธรรมนาคุติโยมีน้องชายมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะแนวความคิดไม่เหมือนกันควรปฏิบัติอย่างไรดีครับถึงจะได้ไม่มีวิบากกรรมซึ่งกันและกันครับ ก็ต่างฝ่ายก็ทางปฏิบัติตามแนวทางของตนไปกันแล้วกันอย่าไป อ, อยุ่งเกี่ยวกันอย่าไปบังคับกันเขาปฏิบัติแนวทนี้ก็ปล่อยเขาปฏิบัติไปเราปฏิบัติแนวางนี้แล้วก็ปฏิบัติของเราไปทางฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันได้การทําบุญให้โรงพยาบาลถือว่าเป็นการทําทานในเขตพระาศาสนาไหมครับแล้วทําทานนอกเขตพระาศาสนาคืออะไรครับ ในเขตศาสนาก็เกี่ยวกับศาสนาสิเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระภิกษุอย่างนี้เป็นต้นกในเขตของศาสนาแต่ถ้าทํำอย่างโรงพยาบาลนี้ก็อยู่นอกเขตศาสนาแล้วเคยนั่งสมาธิจนจิตรวมได้หนึ่งครั้งแต่หลังจากนั้นไม่เคยรวมอีกเลยครับเราควรทําอย่างไรครับกวรยนสติมากๆแล้วนั่งบ่อยๆ ได้มาฟังธรรมพระอาจารย์ได้ฟังประโยคนี้เราไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้เหมือนฝนตกแดดออกเลยพอทําใจได้เรื่องพี่สาวพี่ชายที่ได้เสียชีวิตไปเลยทําใจได้อยู่กับปัจจุบันแบบนี้ถือว่าเราใช้หลักธรรมะมาวิปัสนาได้ไหมครับใช่อันนี้ก็คือหลักธรรมหลักของปัญญาหลักวิปัสนาคือตายลักเห็นทุกอย่างว่าเป็นตายรัก ขอความไม่ตาพระอาจารย์ชี้แนะการวางตัววางใจที่ต้องทำงานร่วมกับหัวหน้า ง, งานที่ทุจริตไม่มีคุณธรรมครับเราก็อย่าไปทำตามเขาเท่านั้นเองเราก็รักษาความทุจริตของเราไว้โยมเพิ่งเข้าใจคำว่า key success ที่สำคัญของการปฏิบัติคือการควบคุมใจของเราให้มีการรู้ตัวไม่ปล่อยให้ไหลไปเรื่อย สำคัญที่การบังคับปัญชาใจเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องในการการยันลญนสติถ้าเรามีสติเราจะควบคุมใจให้นิ่งไม่ให้ไหลไปกับความคิดอารมณ์ต่างๆส่วนตัวเป็นโรคหัวใจพอหัวใจเต้นผิดจังหวะเราก็อาศัยการนอนดูร่างกายไปเรื่อยๆจะดูจนมันตายทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ดูแบบปล่อยวางอย่าไปทุกข์กับมันการเรียนถามพระอาจารย์ครับเคยอธิษฐานขอบวชตลอดชีวิตแต่ถึงวันนี้ยังไม่ได้บวชเลยครับจะบาปเนื่องจากไม่รักษาสัจจะใช่ไหมแล้วที่ปฏิบัติที่บ้านด้วยการภาวนาสวดมนต์นั้นเพียงพอไหมครับก็คืออยู่ว่าเราปฏิบัติมาเนื่องน้อย มันไม่ได้หยู่ที่ว่าเราบวชหรือไม่บวชราเทียบวชแล้วอาจจะไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราเวลาที่เราไม่ได้บวชก็ได้อย่างหยู่ที่การเจริญสติของเราเจริญปัญญาภาวนามากน้อยต่างกันหยุด ด, ดูที่ปริมาณดูที่คุณภาพอย่าไปดูสภาพว่าเราอยู่เป็นอยู่บ้านออยู่วัด โ อ, อกาสครับหากเราสามารถฝึกจิตใจให้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บป่วยความตายและความพลัดพรากจากสิ่งทั้งหลายเราจะพ้นทุกจากทุกสิ่งได้ไหมครับก็พ้นทุกที่ที่เกี่ยวกับร่างกายและสิ่งที่มีอยู่ในโลกของร่างกายคือโลกธรรมเราก็จะไม่ทุกข์กับราบยศเสริฐเสริญไม่ทุกข์กับยุบเสียงกินรสต่างๆแต่เรายังอาจจะทุกข์กับเรื่องของอารมณ์ที่เรายังมีอยู่ในใจของเราอยู่ ที่เรายังไม่ได้กําจัดมีเหรียญพระและพระผงชารุควรเก็บไว้หรือนำไปไว้ที่ไหนถึงจะเหมาะสมครับแล้วแต่คุณอยากจะสวดมนต์ครับแต่อ่านหนังสือไม่ออกครับจะทำอย่างไรได้บ้างครับก็ไม่ต้องสวดนะฟังเทศฟังธรรมไปแทนฟังการสวดมนต์ของผู้อไปก็ได้ ทำไมนี่ยูทูบนี่ก็มีบทสวมดมาเนะมีคนสวดให้เราฟังเราก็ฟังไปแล้วก็ท่องจำไว้ก็ได้ต่อไปแล้วก็สวดเองได้ซื้อทูบเทียนโดยสั่งออนไลน์ส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ฝากเขานําไปถวายพระนะครับเราได้บุญเท่ากับเพื่อนไหมครับมันมุญคนลอย่างกันแล้วก็มาได้บุญจากการบริจาคเข้าของเพื่อนได้ ไ, ไดุ้ญจากการรับใช้ช่วยเหลือเรา นอกจากการนั่งสมาธิแล้วมีวิธีอื่นที่ทำให้จิตสงบไหมครับก็โดยหลักก็ต้องมีวิธีของสมาธิเป็นหลักวิธีอื่นก็แล้วแต่บางค้าบังครอาจจะใช้วิธีของบัญญัติก็ได้พระดูสีริดูสิรจีนบาปไหมครับก็ไม่ใช่เป็นจิตของพระนะ เป็นการเสพรูปเสียงกลินนลนก็เป็นการมาชันท่าเป็นการสร้างมวรณ์แตาทให้เป็นอุปสรรคต่อการทำจิตให้สงบคนเราเกิดมาได้อยู่ร่วมกันเป็นพราะกรรมเก่าหรือไม่ครับมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันการดูแลพ่อแม่อย่างดี ผลบุญจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีตอนแก่ไหมครับพอดีไม่มีครอบครัวกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลครับก็รอดูไปก็แล้วกันครับเตรียมอาหารให้แม่ใส่บาต ท, ทุกเช้าอย่างนี้เราได้บุญด้วยกับแม่ไหมครับคือบุญนี่มันมีอยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของของที่เราจะใส่บาตถ้าแม่เป็นเจ้าของแม่ก็จะได้บุญ จากการเป็นเจ้าของบนที่เราจะได้ก็คือจากการช่วยเหลือแม่ค น, คนละหยานกันคนละหาดกันการสวดมนต์เราสวดน้อยแต่มุ่งนั่งสมาธินึกถึงแต่พุโทโธแค่นี้ถือว่าคิดถูกไหมครับได้ไม่สวดอะไรก็ได้ถ้าจะนั่งสมาธิอะยก็ได้ถ้านั่งได้ก็นั่งเลยไม่ต้องสวดก็ได้ การเตรียมทําดอกไม้จันของชำรวยด้วยฝีมือเราเองและของใช้อื่นๆเพื่อเตรียมใช้ในงานศพเราอย่างนี้เลยได้ไหมครับคิดถึงมานานแล้วอยากจะทาก็ทำได้ตายไปตกนรกขึ้นสวรรค์มีจริงไหมครับจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทาบาปก็จะไปนรกทำดุนก็จะไปสวรรค์ คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับการดำริออกจากกามต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับเช่นถือศีแลแปดศีลแปดเราก็จะเราก็จะไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆขอโอกาศครับอาจารย์ครับวันนี้เพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ416ในยู549ในขับ4ในติกตอก547นะครับ รวมหนึ่งพันห้าร้อยสิบกท่านนะครับพระอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มาเริ่มสนทนาธรรมกันหวังว่าคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยหลอด ก, การสนทนาธรรมในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านองนออสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพิ่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถอสาธุ ตอนตัวนี้ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ถึงท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้อนใดก็คงจะแล้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ